ทานส่วนใหญ่เคยปฏิบัติกันอยู่แล mm ้วใช่ไหมเราต้องมาฝึกติดต่อเนาะเราเคยปฏิบัติันแล้วนะก็ส่วนใหญ่แต่บางคนอาจอะยังไม่เคยเรามาฝึกนะฝึกให้เรามีสติสติในชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่พวกเราก็ มีนอยู่แล้วนะทาให้เราไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบานะตลติดเตลิดไม่ต้องไปถูกขังถูกจนะองจำนะเพราะว่าคนอื่นเ้ากลัวว่าเราจะไปทำร้ายเขานะหรือว่ากลัวเราจะทำร้ายตัวเองสติทานองนั้นนะ่ะนใจของเราเรามีเห็นอยู่แล้วนะแต่สติที่เราต้องฝเนี่ยมันเป็นสติเพื่ อ, อ เพื่อตัดนะเพื่อตัดความคิดตัดกิเลสนะในใจนะคิดสติกต็ไปนะให้เราอยู่กับสังคมได้นะเป็นปกตินะถือว่าเป็นคนปกติใช้ชีวิตได้เป็นปกติทําการทํางานเรียนหนังสือนะอยู่ในครอบครัวได้อย่างปกตินั่นก็คือสติที่เรามีในชีวิตประจำวันนะแต่สติในชีวิตประจำวันบงทีเราก็สูงทีเราก็ทุกข์นะ มางทีเราก็หลงลืมไปบ้างนะขาดสติไปบ้างแต่สี่ที่เราฝึกสติให้มันตัวตัดกิเลสเน่ะมันเป็นสี่ที่ต้องฝึกนะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันจะเป็นสติเพียงแค่ตามสัญชาตญาณเฉยๆสัตว์ต่างๆเขาต้องสติแบบตามสัญชาตญาณสัตั์เดรัจานเน่ะบางทีหูตาจมูก หรือการที่รับรู้ทางกายนะเนี่ยข้อดีกว่ามนุษย์นะในสัตว์หลายอย่างนะข้อดีกว่าเราอีกนะเขามีเซนต์ต้อรยมีเซนรู้ว่าอะไรจะเข้ามานะได้เสียงที่ไครนะได้ลินที่ได้เียื่ออนนะนี่สัตว์เวธรรเนีเขามีสติตวัวนะเนี่ยเขามีมากกว่ามนุษย์ด้วยนะในบางเช่นนี้ แต่สติที่เป็นตัวประทําิตประจำใจเนะี่ยมันยากนะที่สัตนะแม้แต่มนุษย์เองเก็ยากที่จะมีนะอไม่ใช่ว่าจะมีไม่ได้นะแต่เราสามารถที่จะมีได้นะสติตัวเนี้นจะเป็นตัวที่ฝึกแล้วนะทําให้เรารู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงกายใจเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงนะเราต้องฝึก เราต้องเข้าใจตามความเป็นจีถ้าเราไม่ฝึกเราไม่เรียนรู้เนี่ยเราจะไม่ยอมรับมันตามความเป็นจริงคล้ายคล้ายเหมือนกับก <c oughs> ่อนที่เราจะเรียนหนังสือเนาะเราเห็นตัวหนังสือภ า, าษาไทยเราก็ห่างออกเราเห็นตัวหนังสือภาษาอังกฤ ษ, า ษ, าษาเราก็ห่านออกเห็นคําอะไรก็แยกแยกไม่ถูกนะหรือผสมไม่ได้ไม่เข้าใจความหมาย แต่พอเราเรียนสือแล้วเราเห็นอะไรที่นี่หน่อยก็เราก็รูแล้วเป็นคําอะไรรู้แล้วก็ความอ่านว่าอย่างไรดูแล้วก็ความหมายว่าอะไรแค่มองผ่านๆก็ห่านออกราะอันนี้ห้องน้ําผู้หญิงนีห้องน้ำผู้ชายอันนี้เป็นอะไรเรารู้นะแต่ตอนที่เราไปถามออกเนี่ยเหมือนเราไปต่างประเทศนะไปเจอภาษาต่างประเทศห้องน้าไหนห้องน้ําู้หญิงห้องน้ำไหนห้องน้ําชาย ถ้าไม่มีรูกนะสัญลักษณ์บอกเนะี่ยก็เข้าไม่ถูกนะตรงไหนเป็นอะไรก็อบอกไม่ได้อันนั้นแหละคือตอนที่เรายังไม่รู้ตอนที่เรายาังไม่เข้าใจเราก็มองอะไรก็ไม่เข้าใจสับสนไปหมดชีวิตของเราก็เหมือนกันนะเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมกายถึงเป็นแบบนี้ทําไมใจถึเป็นแบบนี้แต่ต่อเมื่อเราได้มาฝึกจิตฝุกใจนะฝึกที่มีสตินะ่ะ การปลุกสติให้มีจิตใจของเราทำให้เราจะเรียกว่าอ่านออกเขียนได้ก็ได้นะผ่านออกเขียนได้ในทางการรู้ว่าอ๋อธรรมะมจริงๆคือแบบนี้นะแต่ก่อนนะเรารู้ธรรมะจากการ่านจากการฟังแต่ไม่ถึงใจสักทีนะเรารู้นะว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้นะว่าต้องพักผ้าสูญเสียนะรู้นะว่ามัน ต้องผสมกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจบ้างอะไรเรารู้แต่พอเจอสิ่ง ต, งต่างๆ่แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไรนะทาใจไม่ได้สกีอันเนี้มันเป็นเพียงแค่การรู้นะแต่มันยังไม่ได้เป็การเห็นยังไม่ได้เป็นการจดจำแบบ ก, ก็กระทําไนะด้จริงจริงการฝึกสติก็คือฝึกให้ตธอนี้แหลนะไม่ใช่เพียงแค่รู้จำ แ่ให้เรารู้จักรู้แจ้งแล้วก็รู้จริงนะรู้จริงเลยว่าเนกายเป็นแบบไห น, นใจเป็นแบบไหนะ เ, นะเมื่ออย่่าางทีเรไดหร่ได้สวออ่่เมืที่บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งวปวงไม่เที่ยนงะเมื่อไหรที่บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อไหรที่บุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นพันธะา เมื่อนั้นเน่ยย่อมเบื่อนในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่สนิทนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นขมวดจุดเมื่ อ, นะอนใดที่เรานะเห็นด้วยปัญญานะเมื่อนั้นจะเกิดความเบื่อหนานนะเกิดความที่ไม่หลงนะไม่หลงในสังขารที่ร่างกายจิตใจมันปะุนแต่นเราต้องเห็นด้วยปัญญานะนะเมื่อนใดเราจะเห็นด้วยปัญญา ก็ต่อเมื่อเรามีสตินั่นแหละเราจะเกิดปัญญานะสติกับปัญญาเนะีมันเป็นของคู่กันนะมีสติถึงจะเกิดปัญญานะถ้าไม่มีสตินี่ไม่เกิดปัญญานะอืมแม้เราจะบอกว่าเราทําทานมากขนาดไหนทําทานแต่ไม่มีปัญญาก็มีได้่อยๆตกไปนะรักษาศีลไม่มีปัญญาก็มีทําสมาธิภาวนา ให้มีปัญญาก็มีนะแต่ถ้าเรามีสตินะทำทานนะก็เป็นทานเพื่อการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมัน่นเกิดปัญญาได้รักษาสิง น, นะก็ไม่ใช่รักษาแบบสิงฆพัฒน์ปรามา ก, ก็คือรักษาแบบถือเข่งแต่ไม่เข้าใจความหมายนะไม่เข้าใจว่ารักษาไปเพื่ออะไร ติดก็ไม่รักษารักษาแบบๆแไว้นะแต่ถ้ารัารกษาติดแบบมีสติกนะายใจมันเป็นการปกติเองตนะิดคือกายใจเป็นปกติเกิดความสํารว์เกิดความเรียบร้อยนะคนเรียบร้อยคนสํารวนะ์เนี่ยมันเป็นกิริยาไม่ใช่แบบเรียบร้อยสัมรณ์แบบเป็นเก่งแล้วก็กลัว แต่เรามีสติเนี่ยมันจะตัดอารมณสายตาตํดอารมกิริยาตํดอารมวาจารนะหรือทำสมาธินะทาสมาธิแล้วก็มีสตนะิจิตใจก็ตั้งมัน่นจิตใจก็ไม่ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆนะตอนนีน้มันตัดกิเลสได้เนะข้าใจความจริงได้อันนี้นถ้ามีสนะตินะจะทำทานก็ดีรังางาสิก็ดี แต่เดินสมาธิภาวนานก็ดีมันจะเป็นทางไปสู่ปัญญาทรรมนั้นแต่ถ้าเราไม่มีสตินะอืมไม่เกิดปัญญานะก็ยังต้องเรียนว่ายใจเกิดหรือเมบางทีทําไปแล้วตัวตนอัดตา ย, ยเยอะกว่าเก่าใหญ่กว่าเก่าตัวนี้นะถ้าทำได้ถูกวางได้เป็นต้นจะไปจิตมั่นจิตมั่นมากกว่าเก่าแต่ถ้าเราแค่มีสติตัวเดียวเนี่ยมันพ้งไปทั้งหมดเลยนะลองดู ตอนไหนที่เรามีสติเนะี่ยตอนนั้นกายของเราก็ไม่ทําปิดสิ่เนี่ยนะวาจาของเราก็ไม่รู้พูดด่าใครโกงกงหลอกลวงใครเนะี่ยใจนะพอมีสติเนะี่ยมันจะคิดดีคิดไม่ดีก็แล้วแต่มันวางได้มันไม่สําคัญมันหมายว่าเป็นความคิดของเราไม่สําคัญมันหมายต่อว่าความคิดนี้ชอบหรือไม่ชอบ ไม่สำคัญม่านหมายว่าความคิดนี้มันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์มันเพียงแค่รู้นะมันไม่ใช่ว่าไม่มีนะไม่ใช่เราปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีความคิดแต่มีแต่เราแค่เห็นนะมีเฉยๆแต่เพียงแค่เราเล่นรู้เฉยๆเหมือนกับที่ท้ายเราได้ยินเสียงนั่นเสียงนี่แต่พอเราไม่ใส่ใจแต่เพียงแค่รู้เฉยๆ เราก็ไม่สุขไม่พุ่งไปด้วยนะอ่ไม่ใช่ว่าเราจะมีคิดไม่ใช่ว่าเราจะมีรู้สึกอะไรแต่เราอาจจะมีความคิดเกิดจะมีความรู้สึกแต่มันไม่ไปยึดไม่ไปยึดมั่นถือมั่นวามเป็นตัวเป็นตนของเราแต่ถ้ามีสติได้จริงๆนะความคิดมันก็เบาบางไปเบาบางนะมันจะเกิดก็ราะเรามื่อตั้งใจคิดะตอนไม่ตั้งใจคิดมันก็ไม่เกิดะ หรือมันเผิอขึ้นมาเกิดมันก็ไม่ได้ไม่ได้เติบโตขึ้นไปนะเราก็เรียกว่าขอนมันออกไปจตกติตใจได้อันนี้ยสติมันจะทําให้ทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ใจเนี่ยมันสะอาดก็ตรงนี้แหละนะสะอาดมันเรียบร้อยพอมาสะอาดพอมาเรียบร้อยเปิ่มสงบนะสถาดนะมันก็ทําให้เกิดความสมงบ น, นะ เมื่อตายวิชาของเราสะอานไม่ทำผิดศีเนะี่ยใจมันก็สงบนะมันไม่กลัวใครได้จับผิดมันไม่กลัวก็จะมีเวทีกรรมอะไรเกิดขึ้นมาหรือเปล่าเพราะเรารู้ว่ า, ากาจธรรมของเรามันดีแล้วนะจิตใจของเราก็ปกติดีแล้วเนะี่ยมันก็เลยไม่วไหวั่นไหวไม่กลัวอะไรเนี่ยจิตที่มีสตินะมันมันไม่วไหวั่นไหวมันก็เลยสงบ เกิด ค, ความมั่นคงแล้วจิตที่มันไม่หวั่นไหวนี่แหละนะสิตที่สงบนี่แหละเมื่อมีสิแปลกปอมขึ้นมานะมันจะเห็นชัดนะแต่ถ้าจิตที่ไม่สงบเนี่ยหรือสิตที่วั่นไหวอะไรแปลกปอมขึ้นมามันก็เห็นไม่ชัดเหมือนอย่างพวกเราหลายคนเนาะใส่เสื้อสีขาวนะถ้าเรามีสีขาวเป็นพืน้นนะในเสื้อของเราเนะี่ยมีสีดำนิดนึงสีทองนิดนึงสีเขียนขึ้นมา มาอยู่ในเสื้อเรามันจะชัดขึ้นมามาันจะชัดขึ้นมาเห็นชัดเลยหรือว่าเราดูในตระน้ําที่นิ่งๆนะสระน้ำนี่งๆนะเมื่อไหร่ที่ปลาโผล่ขึ้นมาก็ เ, เห็นชัดแต่ถ้าเราอยู่ในแม่น้ําใหญ่ๆอยู่ในท้องทะเลมหาสมุทรคลื่นเยีะยปลาโผล่ขึ้นมาบนน้ําถ้ามานันไม่ตัวใหญ่จริงๆก็เห็นไม่ชัดนะน่ะ แต่จิตเราถ้ามาสงบนะเปลี่ยนเหมือนกับน้ำขึ้นมานิ่งๆนะเมื่อมีเะไรโผล่ขึ้นมามันจะเห็นนะมันจะเห็นความคิดเห็นอารมณ์โผล่ขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เห็นเราก็เลยโดนความคิดเลยโดนอารมณ์หลอกแต่พอเราเป็สติเราจะเห็นเยอะเลยว่าแต่ก่อนไอ้คนที่หอกเราเนี่ยอมเยอะมาก เดี๋ยวความโรคก็มาหลอกเราให้ไปซื้อนะัอ่นหานี่นะเดี๋ยวความรักเข้ไปหลอกเราให้คิดถึงให้มีใจเดี๋ยวความชั่งก็มาหลอกเราให้เราทุกข์ใจให้เราอยากจะไปทํร้ายเขานะความโรภ ค, ความโกรธควา ม, วามหลงเนี่ยมันวนเวียนมาหลอกเราอหลอกเราไม่รู้กี่คั้งกี่ผล น, นะในแต่ละวัน แต่ก่อนเราอาจจะรู้สึกรู้จักว่างถ้ามันแรบงบนะถ้ามั น, นชัดถ้ามันหนักๆเราถึงจะพอรู้ตัวแต่พอเราคุณสตินะมากขึ้นมากขึ้นนะไอ้ตัวที่มันเป็นกลางๆตัวที่ละเหียมมันก็จะเริ่มค่อยๆพัฒนาในการเห็นนะนอกจากตัวหย่างบๆนะมันเห็นชัดเช่ น, น, นชนะความโกรธี่ยเห็นชัดความโลภนีนอาจจะเป็นตัวกลางๆที่ก็ละเหียมขึ้นหน่อย เพาะบางทีความโลภเนี่ยความอยากได้บางทีมันมันอ้าเหตุอ้างผลเนะาะแต่จะชิ้นนั่นจะไปซื้อนี่นะอยากจะมีอย่างนั้อย่างนี้นบ้างนะมันก็อ้างไปสารพัด น, นะอืมตัวหลงนะมันจะเกิดขึ้นไปอีกแต่พอเรามีสตินะเราจะเห็นเห็นแล้วใช้ปัญญาในการไปตังใช้ปัญญาเป็นตัวเตือน ต้องควรจะทําควรจะพูดควรจะคิดควรจะทําอะไรหรือเปล่าปัญญาจะเป็นตัวกรองตัวเตือนนะให้เราทำอันนี้ถ้าเราใช้ในทางโลกแต่ตวงปัญญาในทางธรรมเนี่ยพอมันเห็นนะมันเห็นแล้วมันปล่อยวางเลยนะเช่นเห็นว่าขามันปวดนะมันยอมรับเลยเออมันเป็นธรรมชาติของขาขามาต้องรู้แบบนี้แหละนะที่จริงมันเห็นเป็รูปนะ เห็นเป็นรูปเห็นเป็นอาการเห็นเป็นรูปมันคุ้มนะไม่ใช่เอาคุ้มไม่ใช่เห็นเป็นขาดคุ้มทาไมเราถึงเรียกพระว่าพระหนึ่งรูปพระสองรูปพระสามรูปเนีะเพราะจริงตัวพระจริงมันเป็นรูปนะแต่โยบุญชนมนเป็นคนเพราะมันสำารญในหมายเป็นคนเป็นตัดนะเป็นตัวนะเป็นคนแต่ถ้า ทำ ม, มากก็น้อยจรงเป็นรูกนะเป็นมีแค่รูปหนึ่งนะเป็นรูปเป็นนามเฉยๆเอ่อเป็นมียงแค่รูปหนึ่งเราก็จะเห็นอาการต่างๆมันเป็นมีแค่รูปนะรูปมันเดินรูปมันยืนรูปมันนั่งลูปมันนอนไม่ใช่เรามันเป็นรูปที่เป็นอาการต่างๆรูปมันพุ่งนะรูปมันเจ็บรูกมันหิวนะมันจะเห็นเป็นรูกสติจะทำให้เราเห็นเป็นลูปนะ เป็นแค่รูปเป็นเแค่อาการที่เกิดขึ้นกันรูปนะเมื่อสติปัญญามากขึ้นโอ้สิ่งที่มันไม่ใช่แค่รูปนะเอานามเนี่ยมันเป็นตัวการใหญ่เลยนะเป็นตัวหัวหน้าใหญ่เอานามนี่แหละเป็นตัวที่แสบที่สุดถ้าเราไม่ฝึกนะพ่อนามนี่แหละมันมาหลอกมาหลอกมาล่อมันชวนนะให้เราคิดให้เราตกให้เราฟุบเราจะมีสติเห็น เห็นอาการที่เกิดขึ้นในใจนะ่ะคือานามประทับโอ้นมามประทับนะ่แหละอ่ามันมาหลอกเราความคิดมาหลอกความสุขความฟุ้งมาหลอกความรักความชังมาหลอกอ่าเราจะเห็นเมื่อเราเห็นต้นตอของความคิดนั่นแหละอ่านะนะได้ต้นฐานของการปฏิบัติไปได้นะอืมการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ใช่เป็แค่มีสติในการกรู้นะในกายที่เคลื่อนไปเท่านั้น แต่เราต้องมีสติในการรู้ทันใจที่มันหวไปนี่นแหละคือต้นทางนะที่เราจะได้ให้เกิดปัญญานะแต่ส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่จะไปจะไปถึงถึงต้นทางโดยที่ไม่มีสติในการรนั้นรู้กายเลยก็เป็นเรื่องที่อาจจะยากนะแต่ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้นะบางคนอ่าสติปัญญากแข็งกล้าสามารถสุกผลมา หลายกลุ่หลายชาติน่ะก็เพียงแค่มีสติเรื่องรู้จิตใจเกิดปัญญาเลยก็มีแต่การมีสติแลเรื่องรู้กายเรื่องต้นเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างทําได้นะทุกๆคนเพราะว่าอะไรเพราะกายนะกายมันค่อนข้างชัดเจนนกายมีนกายเดินกายนั่งกายนอนกายก้มใเหยียดกายเคลื่อนไหวมันค่อนข้างชัดเจน เรารู้ในตัวที่มันใช่จริงนะก่อนมันทําให้เราไม่ค่อยหลงนะมันชัดชัดเลยอ่าเรายกมือมันก็รู้ชัดชัดเราเลื่อนเราก็รู้ชัดชัดหรือเราทุกเนี่ยเราทุบตัวทุกเนื้อทุบตัวถ้าเกิดความรู้ตัวนะเราทําให้เกิดความรู้สึกตัวนะหรือรู้ตัวเพราะว่าถ้าเราไม่มีสติหรือถ้าเราไม่ทํากรรมฐานทุกอย่างเราจะไม่เกิดความรู้ตัว มันจะเกิดอาการที่เรียกว่าหลงหลนะงหลงนั้มีหลายทางหลนะงไปดูว่างนะเห็นของสวยๆเงาๆนะหลงไปดนะเูเสียงเครื่อเาะเสียงเพลงเสียงอะไรก็แลว้วแต่หลงไปฟังนะกินอะไรอร่อยๆร่อยเนะี่ยหลงในรสชาติกนระปูกต้นะดอกไม้โนะดมน้ำหอมนะ หลงในกลิ่นกะายสัมผัสกับของนุ่มของดีๆนะหลงในสัมผัสนะใจนะมันหลงเยอะกว่าหลงไปคิดส่วนใหญ่นะหลงภายนอกก่อนะทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจสื่อใหญ่ที่มันจะต่อ น, นั้นคือหลงไปคิดนะหรือบางทีอาจจะไเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สัมผัสนะทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกาย แต่ดูดีๆมันก็เกิด อ, อีกสิ่งเนี่ยมันจะไวมากดัง น, นั้นถ้าเราไม่เกิดการรู้สึกตัวเนี่ยเรจะหลงไปนะทาตาเราจะมองดิ้นตายไว้ใจนะโดยเฉพาะให้ตัวหลงไปคิดเนี่ยมันจะเยอะมากนะฉะ น, นั้นวิธีการให้เรากลับมารู้ตัวก็คือนะให้เรากลับมารู้กลับารู้กายนะกลับรู้ว่ากายกำลังทําทอะไรอยู่นะกลับรู้ มำรู้เบาๆรู้สบายสบาๆนะถ้าเทคนิคนะในแนวทางมราก็เรียนให้การรู้มือที่เคลื่อนไหวหรือเท้าที่เดินจงกผมนะแต่จริงมันไม่ใช่แคแค่รู้แค่มือหรื อ, อรูอแ้แค่เท้าแต่ให้มันรู้ตั ว, ตวนะรูวพรองนะรู้ทั้งกายนะรู้รู้รูกกับลูกนะมันกำลังทำอะไร แต่ไม่ให้รู้แบบเอ้งเจ้าแต่ให้รู้แบบผ่อนคล า, ายให้รู้แบบสบายๆนะแต่ให้รู้แบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆนเพราะการที่รู้กายที่เคลื่อนไหวมันค่อนข้างจงนะชัดเจนในบางวิธีในบางร้ปแบบจะรู้แค่บางส่วนที่ค่อนข้างละเอียดบาทีจะตามรู้ยากนะเช่นการตามรู้ลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกบางที แรกๆเราจะตามรู้ได้แต่พอในในรายละเอียดน่ะไม่รู้จะรู้อะไรนะเป็นเกอบความว่างไปแช่งนิงน่งๆก็มีนะอันนี้บางทีมันละเอียดเกินไปสําหรับคนทั่วไปแต่แนวเจริญสติเนี่ยแบบเหมือนว่าเรียนท่านให้เริ่มรู้จากกายที่มันเคลื่อนไหวแบบชัดเจนนะี่แหละรู้กายที่เคลื่อนไหวแบบแบบชัดเจนไปเรื่อยๆต่อไป กายที่มันละเอียดขึ้ น, นเรื่อยๆนะัก็จะรู้เองนะหายใจก็รู้ได้กระพริบตาก็รู้ได้นะคืนน้ำลายก็รู้ได้รนะ้อนห่อนแข็งมาสัมผัสก็รู้ได้นะแต่ครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ให้ไปเอารายละเอียดมากนะให้รู้แบบไม่ต้องไปลงรายละเอียดนะต้องคนไปลงรายละเอียดนะไปลงดูอาการอ่อนนุ่มอาการ กระทบสัมผัสแบบละเอียดลเอียดนะครับูบาอาจารย์บอกไม่ต้องเบสรวมลเอียดรู้แบบรวมรวมไปนะรู้แบบรวมรวมอะไรเงนเด่นก็รู้รวนั้นอะไรมันชัดก็รู้ตรวนั้นนะแต่ที่สําคัญคือให้รู้ต่อเนื่อไปเรื่อยนะรู้ต่อเนื่อไปเรื่อยในการรู้กายไปเรื่อยรู้กายไปเรื่อยต่อเนั้นงไปเรื่อยต่อมามันไม่ใช่แรู้เพศกาย ความคิดมันจะคอยมาแทกความคิดจะคอยมาแทระบ่อยๆในขณะที่เรารู้กายเมื่อทีเราก็ดืมลืมกายความคิดมันจะโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นมาอ๋อเราเห็นว่ามันมาแทะแล้วก็รู้ทันว่าเป็นความคิดขึ้นมาแทรกเมื่อความคิดขึ้นมาแทะอ๋อเราก็มีหน้าที่เพียงแค่รู้ไม่ต้องไปไล่ความคิดอะไรนะแค่รู้ว่ามันเกิดไปคิด แล้วต้องกับมารูกรายที่เคลื่อนไหวหม่นีก็ทำไปแบบนี้เรามีตำรับฐานในการรู้กายไปเรื่อยพอความคิดมันโผล่ขึ้นมาเค้าเก็นแล้วเอาลเติบขึ้นมาเนเกิดแล้วนะบางคนบอกว่าจันแจ๊กเกะตเหมือนกับคนหนึ่งเข้ามาไคนหนึ่งหาพอหาเจอแจ๊กเก็ตพบบัตรพอดีพบ เราจะพบต้นต่อตอนที่มันพึ่งผุนขึ้นมาคิดเนี่ยมันได้เห็นตรงนั้นว่าโอ้มันมันแคบเองพอดีไม่ทันจะเป็นอาการอะไรเลยมันโดนมันโดนสติโป้งก่อนแพ้เลยนะอโดนจับแพ้แล้วนะสติมันมันจับโป้งได้เราไม่เคยทันตอนคิดก็โดนซ้อตลอดโดนหลอกตลอดหลมหาไม่เจอตลอด แต่การจะรู้ทันความคิดเนี่ยไม่ใช่เป็นการตามรู้นะไม่ใช่เป็นการเป็นตามไปหาไม่ต้องไปหาเลยเราเนี่ยมีสติแค่รู้กายไปเรื่อยความคิดมันจะมาเองสติในการรู้กายคือใช้ของเราเรามีพันเด็ดเรามีเยื่นะเอาเยื่อใส่ไปในตัวเบ็ดนั่นแหละแล้วก็จุ่มลงไปในน้าไม่ต้องทําอะไรรอเฉย ดูเฉยสบายๆๆพอมารู้สึกได้ว่ามันโดนเบรคเรามันโดนดึงโดยกระตุกเมื่อไรชักขึ้นทันทีเราได้ปลาแล้วเราไม่ต้องลงไปจับปลาพอสามารถนการจับปลาเรามันน้อยไหวไปจับปลาไม่ได้แต่น้ที่เราคือเตรียมเบรคแล้วก็เตรียมเกลืยวมาลอปลาการมีสติในการรู้กายตรงนี้สำคันก็รู้ไปเรื่อย พอมันความคิดมันเกิขึ้นมันจะขุดขึ้นมาเองเราได้รู้ทันมันเนี่ยการมีสติรู้ทันความคิดเนี่ยคือให้มันเผลอขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยรู้นะปลาต้องกอดเหยือน้องกอนเราค่รู้นะมันโดดไปก่อนเราค่รู้เนี่ยแหละการมีสตินะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าเรานะมีสตินะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมนะ ยิ่งสติไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะสามารถที่เราจะเข้าถึงพันธะผ่านได้นะคือความฟุ้งเราก็เบาบางไปลดลงไปได้นั้นการเดินสติเนี่ยอาจจะมากล้ารับประกันว่าทุกคนสามารถทําได้แล้ถ้าพวกเราทํากันจีิงเนี่ยเราก็สามารถที่จะสําขัสผลได้จริงนะอไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็น วักลางคนหรือไม่ว่าจะเป็นเด็กก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นคารวะก็ดีนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็ดีนะอย่างวนนี้ก็มีนะมีคนจีนนะมีน้งพระจีนไม่ที่จีนะโยกบนจีนนะเขาเขาปฏิบัตินะในแนวทางของก็เทียนนะมาหลายปีเหมือนกันนะคนประหลาดก็มีคนต่างชาติก็มีเยอะแยะมากามายเพราอะไร เพราะสัจธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยไม่จํากัดการด้วยนะสัจธรรมมันดีอยู่แล้วในตัวเราเป็นให้เรามาสัมผัสมาดูปไปเรื่อยนะมีสติรรไปเรื่อยมันจะเกิดความรู้ตัวเยอะขึ้นเรื่อยๆพอความรู้ตัวเยอดขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดการแยกได้นะอันนี้คือเรื่องของรูปวันนี้จะเรื่องของนางโอ้ลูปเป็นแบบนี้เนาะ นาเป็นแบบนี้เนาะออาการที่เกิดขึ้นกับรูปเป็นแบบนี้อาการที่เกิดขึ้นกับนาเป็นแบบนี้โอ้เออนามันพุ่งเป็นแบบนี้นะรูปมันพุ่งเป็นแบบนี้ออมันจะเห็นเข้าใจว่ามันทุกอย่างมีแต่อนี้จากพุ่ขังนน้ำตาทั้งนั้นเป็นยึดอะไรเนี่ยมันเป็นภาระทั้งนั้นขันข้างหน้าเนี่ยเป็นยึดอะไรมีจะเป็นของหนาทั้งนั้นอแบก ทั้งคันทั้งหก็เหมือนแบกทุกอย่างวางขันรูกได้อย่างก็ยังเหลืออีกสี่คันก็ยังหนักอยู es. Es ่ส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าใครวางลูกไปได้แบบเบาไปเยอะแล้วแห่ะนะเบาไปเยอะแล้วเจอไรนนามเนี่ยแต่ก็ยังแบกอยู่นะอืมแต่พวกเราเป็นผู้ที่แบกของหนักนะแล้วก็ไปทุกหมนทุกแห่งนะอ่หนีไปเรื่อยแบกไปเรื่อยเจออะไรก็แบกเจออะไรก็เก็บนะเหมือนคนเก็บขยะ แต่เก็บไม่เอาไปขายนะเก็บเอาไว้อแบกไปเรื่อยนะไปถูกไว้กับตัวของเราเราแบกไปเรื่อยนะแบกความคิดแบกคําพูดแบกประสบการณ์ในชีวิตนะยิ่งถ้าเป็นคนมีอายุมากถ้าชีวิตแบกไว้กับเรื่องราวต่างๆยี่งพุ่งมากนะคนมีอายุถ้าไม่ฝึกสติเนี่ยยิ่งจะพุ่งทรมานมากเพราะอะไร สิ่งที่มันดีไม่มีใิชีวิตของเรา ม, ามาันมากนะแล้วต่อไปร่างกายเราก็จะเริ่มแย่เรื่อยเย <c ười> เรื่องเจ็บเรื่องไม่สบายนะเรื่องแก่ใกล้จะตายนะมันทั้งเรื่องตายทั้งเรื่องใจมันผสม น, นะถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่เรายังพอมีแรงเยู่นะพอถึงคราวที่เจ็บหนักหนาถึงข้าวที่แก่ถึงคราวที่ใกล้จะตายจะฝึกสนัมันยากนะแต่ถ้าใครที่ฝึกไว้ก่อนนะ เมื่อเจอเจอความเจ็บเจอความแก่เจอความตายเออมันคุ้นเคยแล้วเราได้คุ้นเคยกับการเจ็บในการนั่งนานๆนะคุ้นเคยในการอดท น, ะนนะในการที่ต้องอยู่กับความเบือ่ออยู่กับความมัว่วอยู่กับความปุ้มซ่าเออพอเราไป น, นอนในโรงพยาบาลเออก็น อ, นอนได้เนะ้อนะไม่ได้ไปเดินที่ไหนไม่ได้ทําอะไรมันก็อยู่ได้ คุณเคยกับการที่คนดูตัเองนะอะคนดูตัเองแต่ก่อนอาจจะอดคนแต่ต่อไปมีสตินะมาสนุกดูฮแต่ก่อนมันทนนะต้องคนดูะต้องบังคับสักหน่อยต้องตั้งใจสักหน่อยท่าไม่ไหวแต่พอเรามีสติเรืมาสนุกมันจะเพลินนะเมือนเราเรียนหนังสือบางวิชาเราต้เ ร, าเรียนให้วยความอดท น, คนนะอยากจะได้เกรดอยากจะได้ความรู้ แต่ีวิชาเนี่ยที่เราชอบเนี่ยมันจะสนุกนะเวลาผ่านไปเร็วนะไม่เบื่อนะสนุกแรกแรกบางคนก็ต้องอดทนไปก่อนแต่พอเรามีสติไปเรื่นะมันจะสนุกสนุกในการเกห็ น, นเห็นตายเคลนไหวเห็นตอนน่อเรื่อยๆมันจะเบาเพราะอะไรเบาเพราไม่คิดมากบางทีเราคิดมากนะเราเหนื่อยนะแต่เองไม่ต้องการที่ไม่คิดเนี่ยมันเบามาก เหมือนวันไหนโยมทา ง, งานต้องไปทุ่มเยเยอะนะต้องพูดต้องสอนอะไรก็ อ, อยูเนี่ยจะรู้สึกไหมมันจะเหนื่อยนะปุ๊บเออเหนื่อยหัวกลับไปที่บ้านก็อยากจะพักก่อนแต่วันไหนบางทีก็ไปทํา ง, งานตัววันทํา ง, งานบ้านไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้คิดอะไรก็วันนั้นเบาๆสบายใช่ไหมนะดัง น, น, นั้นเนี่ยสมองของเราเนี่ยนะ มันต้องจะเบาสบายอยู่ด้วยนะการที่เราไม่ต้องคิดมากเราบางความคิดได้เนะี่จะทำให้จิตใจของเราเบาร่างกายของเราเบาแต่บางทีบางคนก็อาจจะคิดว่ายิ่งปฏิบัติทำบางทีก็ยิ่งคิดมากนเพราะบางทีมันก็บางทีมันไม่ได้มีงานให้คิดไอ้สิ่งที่มันค้างในใจเรามันจะค่คยคยอยๆออกมานมันเป็นการทําละละ้างสะ ก, กอน ในใจของเราใจที่เคย่อบเคยทังเคยเก็บอะไรไว้นะ่ะพอมาปฏิบัติธรรมมันจะพูดขึ้นมาบางคนก็เรียกว่าอาการล้างกรรมแต่ไม่ใช่ไปล้างกรรมแบบไปแก้กรรมแบบทั่วๆไปนะแต่มันเป็นการล้างความคิดที่มันหมกมุ่นในจีตใต้จํานึกของเราเนี่ยมันพูดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วก oh. ็ปล่อยอ๋อปล่อยท่าไฟจะทานไป ใส่นะโกรธใครก็รู้ทันแก็ววอภัยไปอภัยยทานไปใส่โกรธตัวเองก็เหมือนกันนะโมโมโมโก็อภัยทานไปโมโหตัวเองก็อภัยยทานไปสติเน่ยมันจะเป็นการทำรักล้างตีมาปฏิบัติธรรมบางทีมันจะคิดนะ็ะคิดฟุ้งซ่านบางทีก็เรื่องสำคัญทีก็เรื่องไม่สำคัญมันโผล่ขึ้นมาเราก็แค่รู้รู้รู้รักไปเรื่อยๆปล่อไปเรื่อยๆนะ มืนก th ็ลังกวาดบ้านนกวาดไปเรื่อยบ้านเฮ้ดูไม่ค่สะอแต่กวาดไปเรื่อยเนะปุ๋ยมันเยอะขึ้นนะใช่ไหม้าหูพื้นซักสะอาดสะอาดนะบิดหมาดมาน้าตูสะอาดดีหูไปเรื่อห้างปุ๋มาจากไหนมันกัดแล้วใจเราก็เหมือนกันคิดว่ใจสะอาดพอปฏิบัติทำจริงๆนะตักโเยอะแยะมากมายนะความคิดนะความคิดช้าก็จบาดนะ มันเกิดขึ้นนะเราไม่เห็นมันจะสะอาดขึ้นเรื่อยมันจะทําระล้างนะมันไม่กดไว้นะมันไม่หมกไว้บางทีบางคนปฏิบัติธรรมแบบเน้นสมาธนะิเหมือนโคมไว้นะเนี่ยใต้โคมในตู้มีฝุ่นเขาใต้นะแต่บนโคมในตูสะอาดนะแต่ลองเปิดโคมดูสิฝุ่นเยอะนะบางทีเราไปเข้าสมบไปเข้านิ่งๆไปแค่ไวนะ้เนี่ยเหมือนเราเอาโคมมาพับไว้นะ มันไม่ใช่เป็นการเอาโคมหรือออกมากว่าถนะูจะนั่งจะนอยเยอะได้หมดสบายนะไม่ต้องเป็นภาระนี่จิตใจของเราก็เหมือนกันเราเปิดนสะติไปเรื่อยนะวิปัสนาญาณมันจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละวิปาาัสนาญาณจะค่อยล้างความเห็นผิดล้างความยึดติดล้างความหลงนะสติใจไปเรื่อยอันนี้แหละคืออวบัญญา ไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไร <c oughs> ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเป็นอะไรไม่ไม่ ป, ปฏิบัติเพื่อจะได้อะไรแต่ปฏิบัติเพื่อล้างสิ่งที่เราเห็นผิดล้างสิ่งที่เรายึดติดล้างใ น, นความเป็นตัวดทนของเป็นจิตใจแค่นั้นแหละเมื่อมันลน้างไปได้มันเบ า, ามันสบายมันสงบนี่คือปฏิบัติตรงนี้เนาะไม่ได้หวังอะไรนะไม่ได้เป็นอะไร ไม่ได้ไปปวดใครนะทำแล้วมันเกิดความเบาใจเืิดความสบายใจเกิดความสุขใจอความทุกข์ลดน้อยลงไปเองนะเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเนาะในแนวทางที่พระพุทธเจ้าต้องสอนนะพุะธเจ้าท่านก็ไม่ใช่หนึ่คนที่เป็นเจ้าของตัวนี้นะมันเป็นมันไม่มีใครเป็นทิ่สิทธิ์นะมันเป็นปัจธรรมมันเป็นความจริง จ, จะศาสนาไหนก็ได้ถ้าจะเดินสตินะ ก็เข้าถึงความไม่ทุกข์ได้เหมือนกันเนาะอันนี้คือคือสิ่งที่ท่านมาก็พระวา็พรย์าุ้มนะแล้วก็พาะจีนนะท่านชื่อท่านสติไนะสติเวกุลโล น, ะนเป็นฉายาทางพระน ะ, นะมีแม่ชีเนี่ยวฉือนะพูดไทยได้นะก็ประสบการณ์การปฏิบันธรรมก็ก็พอสมควรนะก็จะได้ได้เกณฑ์พวกเราด้วยนะ มีคนจีนได้เขพูดตกิจได้เขใครพูดได้ก็พูดเป็นนายนะแต่จริงเราอยู่ตรงนี้เราใช้ภาษาใจเป็นหลักมองตารูใจสงบสงบกันไรยังดีที่สุดเลยเส้นด็ดพราะไหนพูดมากนะตุเจี๊พูดแล้วก็ฟู้งซ่าะแล้วก็ไม่ค่อยสงบแต่เราก็มองกันช่วยเหลือกันหรือว่าไหนเขาไม่เข้าใจก็บอกกันที่หน่อยก็พอนะ พ่อสมาเอก็ก็บอกนะในการชี้ทางบอกในการให้กำลังใจนะแต่การปฏิบัติธรรมันเป็นเรื่องตัวใครตัวมัน <c oughs> นะทำให้กันไม่ได้นะก็มาแค้เป็นเพื่อนมาเป็นแค่เป็นผู้บอกบา้าเรื่อมาเป็นเพื่อนมีปัญหาก็เย็นดีต่อินดีแก่นะเพื่อเราจะได้นะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะเขาอาจจะได้ให้ อาจารย์ตุ้มนอกันใด้แนะนำเรื่องวิธีการปฏิบัติแบบของเทียนนะส่วนคนที่เคยฝึกมาแล้วก็ก็ฝึกไปเลยนะส่วนใครที่ยังไม่เคยฝึกก็รับคำคนแนินะจากอาจารย์ตุ้มนะการ้ ครื่องอส่การเปนเครื่องมือสำคัญเรามีกายอยู่ประชันฟ้องก็ากายตัวนี้ามาสร้างความเคลื่อนไหวเพื่อที่ว่าเราจะได้วาดปเยื่อล่อนะลอง่ ล, องงลง่ อ, อนะที่ เ, เล่อ่อค่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อล่อ า, เา่เล่อล่อล่อล่อลอล่อล่อล่อล่อลอลอล่่อล่ลลอ นั่นคือตรงนี้น้าว่าเราเราใช้สิ่งที่เราเคยมีแต่บ้านเปี่ยนแต่ว่าสิ่งที่เราเคยมีเคยทำอยู่เนี้ย น, นี่คือเราเหมือนกับอย่างที่พระเจ้าหลวงพูดถึงนะเราใช้ตามแสงชัตาทนะียร์นันนั่นคือตรนี้ยก็าะเราเป็นเราเหมือนกับเรามีสติ <c oughs> ที่มากกว่า ใช่ไหมับยรนั้นคือตรงนี้มันะตาม นี่เรารู้สึกได้เลยเพ่งแต่ว่าไอาครับว่าอย่างที่ผ่านมนเนี่ยเราจะยิบเราจะจับในตานานนี้ก็เลยว่าเราก็ถามนะเราก็บางทีเราก็ ร, รูร้นะว่าเออบางทีก็าถามไปแต่กายเนาะแต่ใจไม่ได้ถามด้วยกันี้เพราะตอนเราฝึกกันตรงนี้ครับว่าเราจะบอกกันบอกว่าเมื่อเราสร้างความเคลื่อนมาวขึ้นมาเมื่อกายขึ้นไหวเนี่ย ให้ใจเราคอยรับรูนะสร้างสร้างวาความเคลื่อนไหวขึ้นนะอยู่นิ่งๆใช่ไหมครับเรามีความเคลื่อนไหวขึ้นมาเราสร้า ง, งความเคลื่อนไหวขึ้นเนี้ที่เราสร้างขาึ้นมาเนี่ยรับจิตใจเราคอยรับรู้ได้ไหมเหมือนกันเราตั้งใจทํานะฮะใช่ไหมครัอย่างเนี้ยเราตั้งใจทําตรงนี้นะคเราวางเราได้ ขึ้นนิดหนึ่งนะฮะเป็นความเคลื่อนไหเราเรียกันวะ่าสิบสี่จังหะหลักพเทียนเนียออกแบบเอาไว้นะฮะเคลื่อนถ่นนนะา ง, งทีนงนหนึ่งนนแล้วก็หยุดนะฮะเคลื่อนอีกทีนะยยกมีอขวาขึ้นมานิดหนึ่งจชเนหมฮะแลก็หยุดเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนนะฮะมมอมือเบามไปที่ท้องใช่ไฮะ มีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุดแล้วก็มาทา ม, มือซ้ายเหมือนกันนะั้งแขง น, นะรมือซ้ายขึ้นยกขึ้นนะะมาทำ ม, มือขวาไว้นะี่มีมีเคลื่อนมีหยุดมีเคลื่อนมีหยุดนะ เ, เคลื่อนมือขวาขึ้นนิดนึงเยกออกข้างๆมาคุกเข่าความเหนื่ยเริ่มมือซ้ายขึ้นนิดนึง ยคของข้างๆมาบนขาความตรงเนี้ยนะครับว่าเราเนี่ยก็เรียกว่าเอาเจตสังมีการที่เคลื่อนไหวอใจมาคอยรับรู้เราสังเกตดูถ้าใจมันไม่มารับรู้นี่ใจ า, น <c ười> จาัานจะอะไรใจมันหนีไปคิด <c ười> จะมีอนะไรอีกน่นคือตรงเนี้ยนะครับว่าเราเราเนีราเรขยัน ในการขยำของขเราตรงนี้เนี่ยจากมือขวานะครับใชมครพักไว้แล้วก็มือซ้ายขึ้นแล้วนะมองทางไว้ที่ท่าเหมือนกันขับมือขวา ต, ต่อกนะารมางไปที่ขนะ้วกความหย่อนมือซ้ายขึ้นนะตอแล้กลับมาไปนะที่ขันกะ็ควาห ม, นะมาหย่อมองกรจันมมองนอนะครับ ประสิีธั้งอยู่เราเริ่มที่มือขวาคลึงมือขวาแต่แข็งขึ้นยกขึ้นออกมาที่หน้าท้องคึงมือซ้ายแต่แข็งขึ้นยกขึ้นทัามือขวาเดินมือขวาขึ้นนิดนึงยกออกทางข้างมอบขึนขาวความหลันเดินมือซ้ายขึ้นนิดนึงยกออกกลางข้างหมอบาึ้นข่าวค่อยมือขวา เริ่มที่มือขวาก่อนพอจบนะฮะแล้วก็ทำมือซ้ายเหมือนกันตรงนี้เนี่ยท่านะาก็เป็นเยื่อท่านี้จะเป็นเยื่อในขณะทีเนะ่เรากำลังเรากาลังทาท่านเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือตจ่ายมันคอยรับรูนนะ้ มีการที่เคลื่อหม่อ า, จากจคอยรับรู้ น, นะฮะอนนรับู สบายๆนะให้เป็นจังหวนะมีจังหวะเคลื่อนมีจังหวะหยุดให้การหยุดการเคลื่อนนะคมคมสักนิดหนึ่งนะ ลองดูเราไม่ได้ห้ามความคิดนะแต่ว่าวิธีการนั้นเนี้ยมันจะล่อล่อความคิดที่มันที่มันชวนให้เราหลงเนี่ยออกมา เพราะตอนนี้เรากำลังตั้งใจเนะกําลังตั้งใจที่จะเอาใจเนี่ยมาคอยอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายตอนนี้เป็นความตั้งใจอถ้ามันคิดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าอันนี้มันหลงไปคิดนอะอื พอคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหลงแล้วมันจะไหลต่อไปใจเรามันจะไหลไปกับความคิดกลับมานะฮะเอากายที่เคลื่อนไหวที่เรากำลังสร้างอยู่เนี่ยนะะเป็นที่ให้ใจเนี่ยได้กลับมามเริ่มที่มืมขวาเริ่มมุมขวา ไม่ต้องหลับตาเนาะไม่ต้องหลักตามองแบบให้สบายๆบาจจะต่ำนิดก็ได้หรือว่าตรงๆก็ได้แต่แต่ไม่ต้องแบบพยายามทำให้ตามันเบอร์เบอร์เนาะทาสบายๆหายใจสบายๆนะนั่งผ่อนคลาย เริ่มที่มือขวา เผลอไปคิดอนะ้วก็กลับมากับการเคลื่อนไหวครั้งใหมนะ่จะมีการหยุดมีการเคลื่อนนะถ้าใจเผลอไปคิดนะฮะสติเห็นนะเดี๋ยวใจเขาก็กลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายใหม่ไม่เป็นภาระอะไรนะเรากําลังเจริญสติกันเอาสติคอยดูกายที่เคลื่อนไหว เอาสตคิคอยดูว่าใจมาคอยรับรู้การเคลื่อนไหวของกายหรือเปล่าน ะ, ะเนี่ยพอเราเริ่มขยับปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มเลยเริ่มกรรมฐานก็เริ่มต้นขึ้นทันทีเราจะใช้กายใช้ใจะะแล้วก็ใช้สตนะิทำงานไปพร้อมกันเลย ไม่ใช่ว่าเราทาไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นคือพอใจมันคิดเราไม่ทันใช่ไหมฮะเราไม่ทันนั่นคือตรงเนี้ยเราก็ไหลไปตามความคิดเราก็จะทําไม่ได้ตามตามให้กว่าตามลําดับนถูกความคิดแย่งไปก็ไม่ได้ทําไม่ได้ ทำไม่ได้ตามลำดับเราทากับข้าวเนาะใช่ไมหมฮะอย่างนั้นอะไรเงี้ยลำดับมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยพอมันเหมือนกับถูกความคิดขึ้นมาน้ําปลาใสไปยังอพริก ไ, ไทยใสไปยังก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย น, นะกายลำดับมันไม่ถูกถูกความคิดมันแย่งไปก่อนนั้นคือตรงเนี้ยนะฮะเราเอาศัยกายที่เคลื่อนไหวตรงเนี้ย เป็นจังหวะเนาะมีการหยุดสักนิดหนึ่งไม่รีบไม่เร่งคอยรู้เป็นครัง้งครั้งรู้เป็นครัง้งครั้งบางทีเราสังเกตเนาะทำตามความคิดไม่ทันะ ความคิดในมันพั่งพลูมาเยอะแยะไปหมดทําตามเขาไม่ทนแล้วจริงๆรแล้วมันไม่จําเป็นต้องทําตามเขาเนาะความคิดเอยวปล่อยให้ความคิดมันเป็นนายเราถ้าปล่อยให้ความคิดเป็นนายเราปุ๊บมันสั่งมาผูกคอปุ๊บเนี่ยก็ผูกปั๊บเลยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับว่า การที่เราสร้างจังหวะเราอาศัยความเคลื่อนไหวของเรานี่ละตรงนี้ละครับเป็นตัวที่จะฝึกฝนะึกจิตใจใจที่เคยร้อนอยู่เนี่ยครับร้อนแล้วมันจะไม่เป็นระเบียบเนาะมันจะวิ่งตูดไปนั่นวิ่งตูดมานี่เงี้ตรงนี้นะครับพอกายเนี่ยเราเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ มีเริ่มต้นมีจบลงมีเริ่มต้นมีจบลงครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยเดียใจเนะี่ยมันจะค่อยๆมาเข้าจังหวะตรงนี้นะฮะใจมันก็จะเหมือนกับมีระบบมีระเบียบขอเขาที่สำคัญก็คือเรามีสติคอยดูแลเนะมื่อก่อนสติก็ไม่เคยได้ใช้กายใจก็ไม่มีใครดูแล เรากำลังทำงานทำงานกับสตินะหัดใช้สตินะโดยผ่านกายกับใจลราเอากายกับใจนะเป็นเครื่องมือให้เราได้ใช้สติเราไม่เคยหัดใช้ เราก็หัดอันุูหัดอันนี้เป็นความชํานาญไปเฉยๆอืมตอนนี้เนี่ยเราจะเอาสติเข้าไปผนวกกับการทํางานของเราอาศัยการเคลื่อนไหว14จังหวะนะตรงนี้เป็นตัวฝึกหัดเมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรู้เมื่อกายเคลื่อนไหวเอาใจมาคอยรับรูบ้ กายทำงานใจก็มาทำด้วยกายทำงานใจก็มาทำด้วยตรงเนี้ยนะมันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะเราอาจจะเคยทำงานแบบงานก็ทำไปใจก็ไปอีกทางหนึ่งเราก็ทำอยู่บ่อยๆนะแต่งานมันก็ไม่ได้ดีนะ <c oughs> ผลมันก็ไม่ได้ดีถ้าเราเอาใจ มาทำด้วยนะมาทำงานด้วยเนี่ยโอ้ดีมากๆเลยแต่นั้นเท่านั้นมันไม่พอเอาใจมาทำงานนะตรงนั้นแต่ว่านี่ตรงนี้เนี่ยเรากำลังทำงานด้วยใจแล้วกำลังแบบว่าเอาสติมาทำงานด้วยดีขึ้นไปอีกการทำงานของเราก็กลายเป็นการฝึกสติไปด้วยฝึกใช้สติ ฝึกใช้สติฝึกใช้สติเดี๋ยวเราก็จะคุ้นเคยกับการใช้สติสติที่เขามีอยู่<ม>ใช่ไหมฮะก็จะถูกนำออกมาใช้สติเมื่อก่อนก็เคยถูกเจ็บเอาไว้เงงเงๆเงงๆะนะฮะทำอะไรไม่ถูกตอนนี้ปรากฏว่าโอ้เ้าไปเป็นของดี เคลื่อนครั้งหนึ่งนะสติก็รู้ครั้งหนึ่งมีกาที่เคลื่อนไหวเอาสติมารับรู้นะใจนะมาอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไหมสติก็คอยดูแลคอยทำงานไปเป็นครั้งครั้งครั้งครั้งพอใจเผลอไปคิดสติก็เห็นอีกอย่างนี้ <c oughs> มีกายที่เคลื่อนไหวอใจมาคอยรับรู้มีสติคอยดูกายคอยดูใจ <c oughs> รสร้างจังหวะเราแบบพยายามลืมตาเป็นปกติมันทีหลับตาก็ก็รู้สึกชัดนะแต่ว่าการหลับตามันก็เหมือนกับเราหลับตาทำงานนะมันก็ไม่ได้นะใช่ไหมฮะนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเรา กำลังฝึกก็เรียกว่าทํางานไปด้วยมีสติไปด้วยทํางานไปด้วยมีสติไปด้วยการที่เราหัดกรรมฐานบนความเคลื่อนไหวตรงนี้มันจะทําให้เราเอา้แล้วเอากรรมฐานไปใช้กับการทํางานได้ง่ายนั้นนั่นคือตรงเนี้นะว่าเราคอยรู้สึกไปกับการเคลื่อนไหวนะครับ รู้สึกรู้สึกได้ไหมว่าอู้นี่เนะใจเนาะกำลังมาทำงานกับการเคลื่อนไหวของร่างกายด้วยตรงเนี้ยในการที่เรารู้สึกตรงเนี้ยฮะเราใช้สติเราพอใจเผลอไปคิดก็รู้เนี่ยตรงนี้สติก็รู้อีกละ คนที่เคยฝึกมานานแล้วเนาะอาจจะเป็นปีขึ้นไปหรือก็ถ้าใครอยากจะปีดไปเดินจงกรมเลยข้างนอกหรือข้างหลังก็ได้นะถ้าใครฝึกมาหลายครั้งแล้วนะแต่ที่นี่ก็ดีหรือที่อื่นก็ดีนะในสาตหลวงพ่อเทียนนะนะ ท, ที่จับหลักนะรู้เทคนิคอะไรต่างๆแล้วก็ จะใช้โอกาสตอนคืนไปเดินข้างนอกก็ได้นะแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณสองทุ่มสิบห้าก็กลับมาสองทุ่มสิบห้าก็กลับมาแต่ถ้าใครยังไม่ชัดเจนนะก็เดี๋ยวจะพาพาเดินจงกรมสักหน่อยในนี้นะใครชัดเจนเราไปฝึกกันต่อเดี๋ยวค่อยกลับมา ใครอยากจะอยู่ก็ได้นักคนเก่าก็เหลือได้ ข้างตรงระว่างตรงช่องช่องที่นั่งก็ได้นะช่องทางซ้ายนะทางาก็ได้นะตัวในกระเป๋าเก็บกันเรเอากระเป๋าไว้ในตรงที่นั่งก็ะเปเพื่อนตัวในเก็บกันเราไว้ตรงที่นั่งนะอม่าอย่างไรนะช่องี้ อยู่แล้วนะในสายแบบวัฒเทียนใะนสาแต่วัฒเทีนนั่นจะไม่ไม่เดินช้านะเดินธรรมดาสบายๆใกล้นะเคียนกับชีวิตปกติของเราเนี่ยแหละเป็นะตัวอยงว่ามีการเก็บมือนิดนึงนะเก็บมือไว้ข้างหลังมือไว้ข้างหน้าหรือกอ ด, กดอบ ก, ก็ได้กงหนาวอยู่ในห้องวัดฝนตัวน้ำแกนกลางหนาวก็กอดอบก็ได้คือเราให้เน้น เน้นการรู้สึกถึงกายที่เคลื่อนไหวคือการเดินนะคือการเดินเราไม่ได้รู้เพียงแค่แค่เท้านะนะแต่เรารู้ทั้งกายนะรู้เหมือนเหมือนดูเหมือนตอนนั้นโยดูท้อยจันตุ่มท่านเดินนะเราก็เห็นตัวทั้งตัวของท่านแต่นี่คือมันเป็นการเพียงแค่รู้แบบแบบเห็น แต่เวลาเราเดินจริงเราจะทั้งเห็นทั้งรู้สึกในตัวที่เห็นคือใจเราอะใจเป็นตัวเห็นกายแล้วก็รู้สึกไปด้วยถึงการเคลือ่อนมือคือพอเราทำเนี่ยมันทั้งทั้งเห็นแล้วก็รู้สึกไปไปขณะที่กระทำตัวนั้นด้วยเดินช้าเดินเร็วก็ตามความเดินตามกำลังของเราเอาะน ะ, ะโยมลอง เดินอยู่กับที่กับแนงนะย่าเท้าอยู่กับที่นะรู้สึกเรายกสูงยกต่าําขนาดไหนพอมาของเราอนะ่ะให้มันพอดีนะให้ผ่อนคลายพอดีเนาะของคลายพอดีนะออดนะเดินจงกรมเนะี่ยไม่ใช่อยู่ที่ท่ารูปแบบแต่เราเดินแล้วเรารู้นะรู้สึกตัวรู้ว่าตัวกำลังเดิน บางทีเราเดินยังโงมนะบางทีเราเข่าไม่งอเนะี่ยเดินนานๆเนะอ่ยปวดเข่านะมันมันเกร็งนะหรืวบางทีเราจับท่าเดินนานๆปวดไหล่นะก็เปลี่ยนท่าปล่อยก็ได้นะบางทีเราไม่ใช่เดินคล้ายๆเหมือนท่าหานะันแบบเด็กค้าแบบเกียงๆนะเดินแบบนั้นบางทีมันเดินแป๊เดียวนะมันดูสวยดูฟ้องเพีย แต่เราเดินให้เป็นธรรมชาติมีการยืดมีการหยุนมีการงอมีการตรงอะไรแต่เป็นธรมรมดาเนี่แหละนะมันจะทำให้การเดินจยกงอมันจะเดินได้นานแต่ไม่ใช่เราออกความนานเป็นหลักหรอกเราให้ความรู้สึกก็คือผ่อนคลายเป็นธรรมชาติพอเราทำอะไรที่เป็นธรรมชาติมันจะทำได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราทำาลมันเกรงมันฝืนมัน ไม่เป็นธรรมชาตินะมันทำแล้วก็ปวดก็เมื่อยแล้วก็ไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นทำให้เป็นธรรมชาตินะเอี๋ยวเราก็ลองเดินนะัเดินมาข้างหน้าแล้วก็กลับตัวน ะ, ออะขอเก้านะที่จริงก็แถวขอปอีกด้นะ กับแล้วก็เดินกลับไปสุดห้องนะครับกลับไปเป็นแถวพร้อมกันกันนะธรรมดาเนาะเดินได้ธรรมด า, นะด ร, ร, มดารู้สึกถึงตัวที่มันกําลังเดินขณะที่กลับก็รู้นะเพื่อนในแถ ว, แวเรายังกลับไม่เสร็จเราก็เดินอยู่กับที่นะไม่ต้องแทนกันใครอยู่หน้าใครอยู่ เพื่อนยังมาไม่ถึงแล้วก็เดินอยู่กับที่เป็นการสร้างกรารเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องสายตาก็มองสบายๆมองสบายๆหายใจสบายๆนะแล้วก็เดินอยู่กับที่ย่างเท้ารอน ดูนะเอาใจคอยดูกายกายเนี่ยมันมันรู้สึกถึงการเคลื่อนใจเป็นคนคอยรับรู้พอความคิดเกิดขึ้นมาก็าวางก่อนก็กลับมาดูกายที่เดินก่อกนะนะลองดูดูกายเดินเนาะแล้วพอความคิดเกิดขึ้นมาก็าวางไป แต่อย่าไปจ้องแค่เท้านะะให้รู้สึกสบายสบายๆรู้สึกผ่อนคลายแต่ให้มีความตั้งใจรู้ mới, สักหน่อยศัพท์พูดใหม่ๆตั้งใจรู้นะ่อเพราะถ้าไม่ตั้งใจรู้มันจะคิดะมันจะลื่นตัวไปได้ง่ายๆแต่ก็ให้ตั้งใจแบบไม่เกรงไม่เพง่เพงเกินไป